อาณาจักรแห่งคนงโง่กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลถูกปกครองโดยราชาผู้งโง่เข่ากับรัฐมนตรีที่งโงอเง่าไม่ต่างกันฟาบาธ ท, ทำไมพวกเราไม่สร้างกฎหมายที่เมื่อใ้ก็ตามที่ท่านนอนไม่หลับทุกคนในอาณาจักรจะต้องร้องเพลงกล่อมท่าน เป็นความคิดที่โง่จริงๆไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเสียงไพ่ร่ำร้องนะถ้าเกิดมีบางคนร้องเพลงได้หวยขึ้นมาข้าจะไม่ยิ่งนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือไงล่ะฟ้าบาดประชาชนกำลังบ่นมากเรื่องข้าวของแพงมีเพียงคนรวยที่สามารถซื้อได้นะพยาคาแย่ yeah, จริงเลยแล้วเจ้ามีอะไรแนะนำไมหมละ่ะหมอมฉันคิดว่าเราควรจะทาอาหารทุกอย่างขายในราคาหนึ่งเหรียญ ยอดเยี่ยมมากเอาเลยเอาเลยสร้างกฎหมายนั่นขึ้นมาเลยแล้วเจ้าละ่ะมีอะไรจะเสนอไหม่าบาทหมอมฉันอยากจะบอกว่าท่านเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าราชาผู้ใดเลยละ่ะบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้สิฮึ่ฮึ่ฮ่หมอมฉันคิดว่าท่านไม่ควรปกครองแบบธรรมดาทั่วไปอย่างราชาคนอื่นนะ ทำไมพวกเราไม่เปลี่ยนแปลงกลางวันให้เป็นกลางคืนและกลางคืนให้เป็นกลางวันล่ะพยาคะโอ้ข้าชอบความคิดนั่นนะในไม่ช้ากฎหมายก็ถูกสร้างขึ้นทุกทุกคนต่างกังวลเป็นอย่างมากและหากพวกเขาไม่เชื่อฟังราชา<ๆ>เขาจะต้องถูกลงโทษสถานหนักดังนั้นธุรกิจและกิจการจึงถูกเปิดในเวลากลางคืนไม่นานผู้คนก็คุ้นชินกับวิถีชีวิตแบบใหม่ทุกคนรมไปถึงสัตว์ต่างก็นอนในเวลากลางวัน วันหนึ่งนักปราดพร้อมกับลูกศิษย์ของเขาได้มายังอาณาจักรแห่งนี้เขปาประหลาดใจมากที่ไม่มีใครออกมาเลยแปลกใจมากเลยกลางวันแสกแต่ว่าไม่มีใครอยู่บนถนนหนทางเดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจารย์แต่ตอนนี้ข้าหิวใสจะขาดอยู่แล้วโอ้ เราคิดถึงอย่างอื่นที่มาใช้อาหารบ้างสิโทพวกเขาเดินไปรอบๆจนในที่สุดก็เริ่มมืดพวกเขาต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบผู้คนออกมาจากบ้านของพวกเขาพวกเขาหลับตอนกลางวันงั้นเหรอทั้งเป็นอาณาจักรที่แปลกมากเลยเขาเฝ้าดูผู้คนขณะที่ทุกคนก็ใช้ชีวิตไปตามปกติโอ้โอร้านอาหารเปิดแล้วอาจารย์ ข้าเอ่อขไปก่อนนะไปสินักปราสนใจในวิถีชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เป็นอย่างมากนี่เอ่อคุณผู้หญิงบอกข้าทีทำไมอาณาจักรแห่งนี้ถึงใช้ชีวิตตอนกลางคืนและนอนหลับในตอนกลางวันลเอ้อจะพูดยังไงดีล่ะราชวของพวกเราโง่เขลามากเขาเป็นคนสร้างกฎหมายโง่ๆนี้ขึ้นมาเองนะนักปราดคนคิดกับสิ่งที่หญิงคนนี้พูดท่านอาจารย์ ดูนี่ข้าได้กล้วยเค้กและก็แซนด์วิชพวกนี้มาถูกมากๆทุกอย่างที่นี่ไม่ว่าอะไรราคาเพียงแค่เหรียญเดียวเองพวกเราอยู่ที่นี่กันดีกว่านะข้าเดาว่าต้องเป็นกฎหมายโงโ่ๆงโงอีกข้อของราชาน่เราต้องไปจากที่นี่มีเพียงอันตรายเท่านั้นที่จะมาเยือนที่นี่นะนักปราดพยายามให้เหตุผลกับลูกศิษย์ของเขาผู้ที่เพียงต้องการอาหารราคาถูก ตามใจเจ้านะอยากจะอยู่ต่อก็อเชิญแต่ว่าข้าจะไปล่ะลูกศิษย์อยู่ในอนาณาจักรแห่งนี้ในมิช้าเขาก็คุ้นเคยกับที่นี่เขากินอาหารมากมายจนในมิช้าเขาก็อ้วนเพล่เนี่าวิเศษสุดๆเลยอ่ะอาจารย์คิดผิดกกับที่นี่แล้วห ย, ยอยหอยวันหนึ่งมีโจรคนหนึ่งเข้ามาขโมยของในบ้าน แต่ในตอนที่เขากําลังจะหนีกําแพงได้พังลงทับเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสพี่ชายของโจดเข้าพบกับราชาฟาบาหมอมฉันมาขอความเป็นธรรมน้องชายของหมอมฉันกําลังทํางานของเขาและกําแพงได้พังลงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บกําแพงนั่นน่ะเป็นของพ่อคาพ่อขาถูกเรียกเข้าพบที่พระราชวังเขาเข้ามาพบด้วยความประหลาดใจยอย่างมากชายคนนี้กล่าวว่ากําแพงเจ้าทําให้น้องชายเขาบาดเจ็บ จริงใช่ไหมใช่กดรับฝ้าบาทกำแพงสร้างขึ้นแต่รุ่นพ่อของข้ามันพระรามาทับขมโมยเรื่องนี้ข้าก็ช่วยไม่ได้นะยังไงก็เถอะเจ้าต้องถูกลงโทษเพราะกำแพงนน่นมันเป็นของเจ้า อะไรกันมันควรจะเป็นคนที่ทำกาแพงนั่นไม่ใช่เหรอที่ต้องโดนลงโทษนะราชาคิดเรื่องที่พ่อค้าพูดและแตัดสินใจให้พ่อค้าเป็นฝ่ายถูกเขาเรียกให้คนเกาะ อ, อิดที่ตอนนี้แก่มากแล้วมาพบเขาเจ้าชายไม้ที่เป็นคนสร้างกาแพงให้พ่อค้าถ้าใช่จะต้รับผิดชอบที่ทำให้ใชายผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ แต่หม่อมฉันสร้างกำแพงนั้นเสร็จมาหลายปีแล้วนะพะ่อใหญ่ค่ะแล้วยังไงกันละ่ะเออหม่อมฉันจําได้ว่าทำไมส้่งกำแพงไม่ได้มาตรฐานตอนนั้นมีนักเต้นคนหนึ่งเดินไปเดินมาใกล้หม่อมฉันเสียงกรุงกริ้งบนข้อเท้าเธอทำให้หม่อมฉันไม่มีสามาธิเลยโอ้ในที่สุดเราก็พบตัวคนทําผิดแล้ว ไปพานักเต้นคนนั้นมาพบข้าเดียวนี้เลยนักเต้นที่น่าสงสารตอนนี้เป็นหญิงชาราแล้วเธอตัวสั่นมากเมื่อถูกนำเข้ามาพบกับราชาเธอถูกนำตัวมาเพื่อลง โ, โทษโทษฐานที่กำไลข้อเท้าเธอรบกวนชายคนนี้ขณะที่เขาสร้างกำแพงกำแพงเหรอกำแพงน่ะมาถล่มลงและทำให้าาชายคนหนึ่งรับบาดเจ็บขณะที่เขาทางานอยู่ อ่าวาบาทหม่อมฉันว่าท่านจับคนผิดแล้วหม่อมฉันแค่เดินอยู่บนทางเพราะช่างทองนัดให้หม่อมฉันเอาอัญมณีไปให้เขาให้ความเปทํากับหม่อมฉันด้วยฮึเรื่องมันช่างวุ่นวายจริงๆไปนําตัวช่างทองคนนั้นมาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยช่างทองถูกนําตัวเข้ามาพบกับราชาก็าตกใจมากเมื่อถูกกล่าวหาว่าทําให้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเอาเหร จะยอมรับผิดในสิ่งที่เจ้าทำหรือไม่เจ้าจะต้องถูกยอ่อลงหน้าผาโอโเดียวรีบรดไอ ห, หมอมฉันที่บายก่อนก็จริงที่หมอมฉันนัดให้นักเต้นมัธยบาลหลายครั้งแต่นั่นเพราะหมอมฉันตกส่งสินค้าไปให้พ่อค้าที่กำลังร้อนใจหมอมฉันนปฏิเสธเขาไม่ได้เลยราชาถามว่าพ่อค้านั้นเป็นใครช่างทองชี้ตัวพ่อค้าคนแรกด้วยตัวเอง บเขาไม่นะไมออ่พ่อเขาหม่อมฉันไปขดสั่งทำกับแพงไม่เช่หม่อมฉันน่ะแต่อย่างไรก็ตามราชาเห็นว่ามันไม่สมควรที่พ่อค้าผู้ร่ารวยจะต้องมานั่งบนรถเข็นขนาดใหญ่เขาสั่งให้ออกตามแพะรับบาปและไม่นานคนเดียวที่เหมาะสมจะเป็นแพะคือลูกศิษย์ตัวอ้วนทหารนำตัวเขามาพบกับราชาในห้องพิจารณาคดีเขารู้เรื่องทุกอย่างที่นั่นเขากลัวเป็นอย่างมาก เขาเริ่มตะโกนเรียกหาอาจารย์ของเขาท่านอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์ทันใดนั้นนักปราดกได้ปรากฏตัวขึ้นทุกคนตะลึงอย่างมากดูเหมือนเจ้าจะมีปัญหาสินะลูกศิษย์ที่น่าสงสารแล้วทุกอย่างให้อาจารย์ของเขาฟังนักปราดเพียงแค่ยิ้มออกมาฟาบาดหม่อมฉันขอรับโทษแทนลูกศิษย์ได้ไหมพะเอกค่ะ ในไม่ช้าลูกศิษย์ของเขาก็เข้าใจว่าอาจารย์ของเขากําลังทําอะไรไม่นะฟาบาดโยนหม่อมท่านเถอะหม่อมท่านสมควรโดนแล้วอะไรเจ้ากล้าต่อต้านของตอกรอยของข้าเหรอพวกเขาทั้งคู่เริ่มทะเลาะ ก, กันราชาได้แต่งงงวยนี่ทำไมเจ้าทั้งสองถึงอยากโดนโดนอย่างโหดร้ายอย่างนั้นกันฟาบาด ท, ท่านไม่รู้เหรอหน้าทางทิศตะวันตกเป็นสถานที่วิเศษมาก ถ้าผู้ใดถูกโนลงไ ป, งไปเขาจะได้รับการต้อนรับจากนางฟ้าที่ทรงพลังที่สุดของหุบเขานางจะมอบความปรารถนาทั้งหมดที่คนนั้นต้องการทั้งความร่ำรวยและพลังกลังมหาศาลที่สามารถจะครองโลกได้แต่คนนั้นต้องถูกโยนออกไปโดยคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะภพยาคะราชาประหลาดใจอย่างมากเขาไม่ต้องการให้ชายสองคนนี้ได้รับพรจากนางฟ้า ดังนั้นเขาจึงสั่งให้นักปราดโยนเขาและรัฐมนตรีของเขาลงหนา้าผาเจ้าคิดว่าข้างโง่อย่างนั้นเหรอที่จะปล่อยเจ้าได้รับโชคไม่มีทางหรอกต้องเป็นข้าข้าที่ถูกโยนลงไปโอ้แล้วก็เล่ารัฐมนตรีของข้าด้วยฐานันเป็นคำสั่งที่ท่านมอบให้ข้านะฟ้าบาท ราชาและรัฐมนตรีของเขาถูกพามายัางหน้าผาพร้อมกับนั่งในรถเข็นนักปราดผลักรถเข็นไปพวกเขาร้องออกมาเสียงดังขณะที่รถเข็นกาลังเคลื่อนที่ไปยังหน้าผาโ อ, โ, อโอ้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าเปลี่ยนใจและพวกเขาก็ตกลงไปยังหน้าผาพวกเขาตกลงไปยังบนตะขายที่นักปราดวางเอาไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาถูกจับไว้ราวกับปลาที่ถูกแใหในทะเล โ อ, โอ้ไหนล่ะนางฟ้าน่ะไม่หรอกนางฟ้าท่านช่างเป็นราชาที่โง่เขลาจริงๆที่เชื่อเรื่องพันนี้เช่นเดียวกับที่ท่านปกครองอาณาจักรยังโง่เขลาเหมือนที่ท่านเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงละ่ะแต่ช่างเถอะข้าขอตัวไปก่อนดีกว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทำผิดครั้งใหญ่ เมื่อข้าได้อำนาจมากข้าไม่คิดถึงสิ่งโง่ๆที่ทำลงไปเลยโถวพวกเรานีชะงอเขาจริงๆได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะราชาตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาแล้วพวกเขาถูกดึงขึ้ น, นมาอย่างปลอดภัยโดยนักปราดท่านช่างทรงปัญญาจริงๆงั้นเออข้าขอให้ท่านและลูกศิษย์ปกครองอาณาจักรแห่งนี้แทนข้าจะได้ไหมลูกศิษย์ตกลงในทันที แต่นักปราดใช้เวลาคุ้นคิดไม่นานก็ตอบตกลงประชาชนใอนอาณาจักรลื่นปิติอย่างมากที่ได้รับข่าวว่าจะมีผู้ปกครองคนใหม่พวกเขามีความสุขมากสิ่งแรกที่เขาจะทำคือยกเลกิกกฎหมายงงงทั้งหมดกลางวันจะต้องกลับเป็นกลางวันกลางคืนก็ต้องเป็นกลางคืนในที่สุดอาณาจักรแห่งนี้ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ลูกสิธิ์ทัโ ง, งกเขลาที่มองไม่เห็นคำพูดของอาจารย์เขาแต่เขาก็ถูกช่วยไว้และเรียนรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงหน้าเขา